สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบหกพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้สุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่สิบหกถึงสิบเก้าโปรดฟังพรชเจ้าของพระเจ้ามีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้า ดีกว่ามีครังทรับใหญ่แต่มีความลำบากอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกรียดชังอยู่ด้วยคนใจร้อนเราการวิวาดแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระ ง, งับการชิงดีทางของคนเกรียดค้านมีต้นหนามควัดงอกอยู่เต็มแต่วิถีของคนเที่ยงธรรม เป็นทางหลวงลาบเสมอพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้พระเจนักของพระเจ้ามาถึงเราด้วยการเปรียบเทียบครับภษาอังกฤษเริ่มต้นข้อสิบหกสิบเจ็ดใช้ควาว่า better ก็หมายความว่ามีสิ่งที่ดีกว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีน้อยกว่าท่านพี่บอกว่ามีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้าดีกว่ามีครั้งทรัพย์ใหญ่แต่มีความลาบากอยู่ด้วย กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกรียดขังอยู่ด้วยพี่น้องครับความยากจนบวกความยำเกรงพระเจ้าพระกัมพีบอกว่าดีกว่าความล่ํารวยบวกความไม่ยำเกรงพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นก็จะนํามาซึ่งสันติสุข แต่ความไม่ยำเกรงพระเจ้าจะนำมาซึ่งความลำบากคนที่ร่ำรวยแต่มีความลำบากมันก็แย่กว่าคนที่มีทรัพย์น้อยแต่มีความสุขสบายสันติสุขสันติภาพเพราะเหตุที่ว่าเขายำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นนำมาซึ่งสันติสุขความสุขสบาย ความพึงพอใจในขณะที่คนที่มีทรัพย์มากเขาอาจจะไม่พึงพอใจอาจจะไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพชีวิตของเขานั้นก็มีแต่ความโกลาหลพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหากเงินทองนั้นมันนํามาซึ่งความลํำบากความโกลาหลความสับสนอลห ม, ม่านเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่รวยเสียดีกว่าใช่ไหมครับ เราไม่ต้องรวยก็ดีกว่าชุภาศิษฐ์แนะนําว่าความมั่งคั่งแบบไม่ยําเกรงพระเจ้าก็แย่กว่าคนยากจนแต่เขายําเกรงพระเจ้าเพราะความยําเกรงพระเจ้านั้นทําให้เกิดสันติสุขไม่ใช่ความลําบากทรศนท่านกมีแนะนําต่อไปว่าความไม่ยําเกรงพระเจ้านั้นนํามาซึ่งความโกลาหลความสับสนวุ่นวายเช่นเดียวกันเรามาดูต่อนะครับในข้อที่สิบเจ็ด ข้อที่สิบเจ็ดนั้นก็เปรียบเทียบความแตกต่างของความยากจนคนยากจนนั้นก็มักจะไม่ค่อยมีเนื้อวัวกินนะครับมีแต่กินผักครับคนยากจนนะครับจับคนที่อ้วนเนื้ออ้วนกินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเปรียดชังก็แย่กว่าครับแย่กว่ากินผักคนยากจนและมีความรัก โดยปกติพี่น้องครับเราคนธรรมดาทั่วไประหว่างรวยกับจนก็มักจะเลือกรวยใช่ไหมครับระหว่างความลําบากกับความสบายก็คงจะเลือกสบายปกติแล้วเราทําคนธรรมดาจะเลือกความสุดวกสบายมากกว่าแต่เราพบว่าบ้านที่ไม่ค่อยมีสมบัติพักสถานมีความรักมากให้แก่กันและกันนั้นก็ดีกว่าบ้านที่ร่ารวยแต่ไม่มีเวลาไม่มีความรักให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความรัก แปลตามเวลานะครับถ้าเรารักมากเราก็ควรจะให้เวลากับคนที่เรารักมากและความรักทําให้คนเราอดทนต่อสถานการณ์ยากลําบากต่างๆได้ในขณะที่ความเกลียดชังจะลบล้างความชื่นชมยดีในการที่มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ตรงกับสุภาษิตของคนไทยว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากครับ คับใจก็คือว่าอยู่แบบไม่สบายใจนะครับอยู่แบบมีความเครียดชังอยู่แบบมีความระแวงก็อยู่ยากในขณะที่คับที่ก็คือว่าที่ไม่สรุรวกสบายครับแต่ใจมันสบายเขาก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแหล่งที่มาของความชื่นชมยินดีก็คือการที่เรานะครับ จะไม่คับใจและการที่เราไม่คับใจนั้นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีครับเราถึงไม่คับใจเราก็อยู่ทุกๆุกที่ได้เรามาดูในข้อสิบแปดนะครับคนใจร้อนเร้าการวิวาทแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดีคนใจร้อนคือคนที่โกรธง่ายครับชาวบ้านเรียกว่าของขึ้นเร็ว เขาถูกแยให้โกรธง่ายเขาถูกแย่ยั่วยุให้มานานโทสะได้ย่างอย่างรวดเร็วได้ง่ายาดพี่น้องครับถ้าเรามาวิเคราะห์คนใจร้อนหรือคนโกรธง่ายคนพวกนี้มักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอ <S <S คิดว่าประสบการณ์ของตัวที่สัมสมมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆนะครับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่วัยแก่วัยเท่า คนพวกนี้มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอเพราะว่าเขาหญิงแยโสไม่มีความถ่อมใจครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นถูกยั่วยุให้โกรธได้เร็วเพราะว่าเขาหูเบาถูกจูงจมูกได้ง่ายถือว่าเป็นจุดอ่อนของชีวิตครับและวิธีการตอบสนองของเขาก็นําไปสู่การโต้แย้งโต้เถียงการทะเลาะวิวาทและไม่เกิดผลดีในที่สุดการโมโหง่ายเกิดจากความหญิงของคนคนนั้นครับ เมื่อเผชิญกับสิ่งยัวย่วยุเพียงเล็กน้อยเขาก็โกรธ ด, ด้วยความรวดเรว็วโกรธได้ด้วยความรวดเรว็วในทางตรงกันข้ามครับคนถ่อมตัวเขาจะช้าในการโกรธเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะไม่คิดถึงตัวเองสูงกว่าที่เขาควรจะเป็นสูงกว่าที่เขาควรจะคิดเพราะฉะนั้นเขาจะคิดแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับเขาที่ถ่อมตนก็จะไม่โกรธเครืองง่าย ไม่ดูถูกคนอื่นและไม่กระทำผิดง่ายๆคนที่นิ่งคนที่โกรธช้าคนที่อดทนก็จะนำมาซึ่งสันติสุขและการคืนดีกันแทนที่จะชิงดีชิงเด่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายครับเรามาดูข้อสุดท้ายในวันนี้ครับข้อสิบเก้าทางของคนเกียรติค้านมีหนามควัดงอกอยู่เต็มแต่วิถีของคนเขี้ยงทำเป็นทางหลวงราบเสมอพียงครับ ความเกลียดชังและความโกรธนําปัญหามาให้ชีวิตคนเกลียดข้างก็งเช่นเดียวกันครับวิถีชีวิตของเขานั้นก็มีแต่ความยุ่งยากลําบากเหมือนมีขวากหนามอุปสรรคขวางกั้นอยู่ตรงหน้าเขาพี่น้องครับอุปสรรคปัญหาที่ขวางกั้นอยู่นั้นนะครับคนที่มักโกรธคนที่ถูกความเกลียดชังเข้าครอบงําชีวิตของเขานั้นเดินไปไม่ถึงเป้าหมายครับเดินไปไม่ถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ชีวิตของเขามักจะมีอุปสรรคขวางน้ํามักขวางกั้นครับในขณะที่คนเที่ยงธรรมคนที่ขยันขันแข็งคนที่ซื่อสัตย์ตรงเงินข้ามครับด้วยความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายของเขาปัญหาชีวิตของเขานั้นจึงน้อยกว่าก็เปรียบเสมือนกับว่าทางชีวิตของเขานั้นดําเนินไปบนทางราบเหมือนกับขับรถบนทางด่วนครับชีวิตของเขานั้นจะประสบความสําเร็จ อย่างแน่นอนและรวดเร็วเสมอชีวิตของเขานั้นจะไม่ถูกสิ่งกีดขวางใดๆมาสร้างความยุ่งยากมาสร้างอันตรายและสร้างฝากประสบการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้รพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เพือพ่อนพีเตือนเราเสมอให้เราเป็นคนที่มีความยำเกรงพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีความรัก ให้เราเป็นคนที่ใจเย็นโกรธช้าให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีของความเที่ยงธรรมอาเมน